บทที่32ในกุนเชียงเยาวราชเจ้าอาวาสวัดไทยงังพาคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยชมวัดไทยงังพร้อมทั้งทำหน้าที่มักคุเทศไปในตัวท่านพระครูมีสมุดจดบันทึกไปด้วยเล่มหนึ่งเพื่อจดบันทึกสิ่งที่ท่านพบเห็น ท่านเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอแม้ในทางธรรมท่านจะเรียนจบหลักสูตรสูงสุดคือการเข้าถึงวิมุตตหลุดพ้นแล้วก็ตามคณะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรู้สึกว่าพวกตนโชคดีที่ได้มาพบพระภิกษุผู้มีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสถึงสองรูปในคราวเดียวกันต่างพากันหมายมั่นว่ากลับจากเมืองจีนแล้ว จะไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเพราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนักพระภิกษุสี่รูปที่มาด้วยก็รู้สึกน้อยใจที่ไม่มีญาติโยมเจรจาพาธีด้วยแรกๆท่านนึกอิจฉาท่านพระครูแต่เมื่อคิดว่าความอิจฉาตาร้อนเป็นเรื่องของโทสะและตัวโทสะนี้นำบุคคลให้ไปเกิดในนร ก, กรภูมได้ก็เกิดความกลัว และเปลี่ยนใจไม่อิจฉาท่านแต่จะดำเนินตามปฏิปทาของท่านด้วยการขอเรียนกรรมฐานจากนั้นก็ไปสอนญาติโยมเพื่อเรียกความเรื่มสายศรัทธาไปไหนมาไหนก็จะได้มีคนรู้จักเหมือนท่านสมผานรูปนี้คนที่มีความสุขกว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่นายกุนเชียงผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าทัว เขาประหยัดเงินค่าอาหารกลางวันไปหลายร้อยหยวนและก็ยังไม่ต้องจ้างคนบรรยายอีกด้วยเพราะสมภารวัดไทยงังท่านทำหน้าที่บรรยายเองเขามีอาชีพจัดทัวมานานแล้วก็ทำหน้าที่บรรยายเองผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่อมากับคณะนี้ซึ่งมีท่านพระครูเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเขามีกล้าบรรยายเอง เพราะรู้ว่าท่านต้องรู้หากเข้าบรรยายผิดจึงคิดว่าจะมาหาจ้างมกุุเทศเอาดาบหน้าถึงที่ไหนก็ให้คนที่นั่นมาช่วยบรรยายโดยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บ้างคนจีนที่ยึดอาชีพนี้หาได้ไม่ยากคงเทียบได้กับไกล้ผีของเมืองไทยนั่นกระมังสิ้นสุดการพาชมวัด คณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็กราบลาสมพานวัดไทยงังเพื่อกลับโรงแรมที่พักท่านพระครูถวายปัจจัยทาบุญกับท่านสองพันหยวนสมพานว 80, ัยแปดสิบเศษออกแปลกใจเพราะไม่เคยปรากฏมีคณะใดที่มีคนใจบุญเท่าท่านพระครูจึงอดถามไม่ได้ว่าทำไมถึงมากมายนักผมว่าท่านเก็บไว้บ้างดีวกว่าเพื่อขาดเหลือ ยังมีอีกตั้งหลายวันกว่าจะกลับไม่ใช่หรือผมตั้งใจแล้วครับหลวงพ่อผมอธิษฐานจิตมาก่อนว่าขอให้ผมได้มีโอกาสมาทำบุญกับวัดพระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งพันกว่าปีหลวงพ่อจะได้เก็บไว้สำหรับบูรณปฏิสังขอนต่อไปทำไมท่านถึงมีปัจจัยมากมายอย่างนี้ขอโทษนะที่ผมถาม อย่าหาว่าละลาบละลวงเมื่อก่อนมีมากกว่านี้อีกครับคือผมได้สมบัติตกทอดมาจากโยมยายแล้วก็โยมป้าท่านพูดแบบรวมๆเพราะหากพูดแบบแยกๆก็ต้องบอกว่าตกทอดมาจากโยมยายและยักยอกมาจากโยมป้าคือป้าเหรียนผู้ชอบกินเหล้ามากกว่าเข้าวัด หมายความว่าปัจจัยนี้เป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายและโยมป้าของท่านกระนัน้นหรือหาไม่ได้ครับผมเพียงแต่จะเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนผมมีมากกว่านี้แต่ตอนสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชผมก็นำเงินทองทั้งหมดที่เป็นของโยมยายแล้วก็โยมป้าไปสร้างโบสถ์จนหมดเพื่ออุทิศไปให้เจ้าของเงิน อย่างน้อยผมก็จะได้ไม่บาปที่ยักยอกเงินโยมป้าประโยคสุดท้ายท่านไม่ได้พูดออกมาแต่ถึงท่านจะไม่ได้พูดสมภารวัยแปดสิบเศษก็รู้ทว่าท่านไม่พูดเพราะว่าเกรงญาติโยมที่มากับท่านพระครูทั้งภิกษุอีกสี่รูปจะไม่เลื่อมใสในภิกษุผู้อ่อนกว่าถ้าอย่างนั้นปัจจัยที่ท่านถวายผม ก็ไม่ใช่ของโยมยายกับโยมป้าผมอยากรู้จริงๆว่าท่านใดมาอย่างไรไม่ได้คิดว่าจะได้มาโดยมิชอบหรอกนะผมไม่มองท่านในแง่ร้ายแบบนั้นแน่นอนผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแต่ผมกลัวว่าถ้าบอกแล้วหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อหลวงพ่อจะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่าผมเสกมา ผมมีคาถาเสกเงินทั้งพระทั้งคฤรหัดพากันตาโตเมื่อได้ยินคำว่าท่านเสกเงินสมภารวัดไทย ง, งอยากได้คาถาจึงพูดกับท่านว่าผมขอเรียนได้ไหมจะไดเอาไว้เสกเงินมาบูรณปฏิสังขรวัด โดยไม่ต้องรบกวนญาติโยมเขาพระภิกษุสีรูปและคณะนักท่องเที่ยวชายหญิงต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอเรียนคาถาเสกเงินจากท่านพระครูได้ครับผมไม่หวงคาถานี้ผมได้มาจากครูบาอาจารย์ของผมท่านหมายถึงหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำคาถาว่าอย่างไรครับ ต้องจดไหมไม่ต้องจดครับว่าครั้งเดียวก็จำได้คาถาว่าดังนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมใช้คาถานี้บริหารวัดมาโดยตลอดที่วัดผมไม่เคยขาดแคลนเลยหลวงพ่อลองนำไปใช้สิครับ รับรองว่าได้ผลแล้วท่านก็พูดกับคณะที่มาจากประเทศไทยว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมก็นำไปใช้ได้นะแต่จะต้องทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่โลภอยากได้ของคนอื่นและก็อย่าไปหวังจะรวยเพราะคาถานี้ไม่ได้ทำให้รวยแต่ทำให้มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อได้มาก็ต้องให้ต่อไป อย่าไปเก็บหรือว่าหวงไว้ใช้แต่ผู้เดียวปัญหาของผมอยู่ที่ไม่มีนะครับท่านพระครูคือผมไม่มีปัจจัยสะสมไว้แจกจ่ายนี่เท่าไรก็บูรณะปฏิสังครนวัดไปไม่เคยจะเก็บสะสมภิกษุวัยแปดสิบเศษชี้แจงหลวงพ่อทำถูกแล้วครับบรรพชิตไม่ควรสะสมเงินทอง ผมถือหลักว่าบรรณชิตต้องจนคนครองเรือนต้องรวยที่เมืองไทยบางวัดรวยมากแต่ญาติโยมกลับยากจนสมภารบางรูปมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยๆล้านผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าผู้ที่ฝากเงินกินดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นพระส่วนประชาชนเป็นฝ่ายกู้ต้องเสียดอกเบี้ย หน้าขันนะครับเพราะเงินที่พระนำไปฝากก็คือเงินของญาติโยมนั่นแหละผมเป็นสมภารที่ไม่เหมือนกับรูปอื่นเพราะผมไม่มีเงินฝากธนาคารบางทีก็มีหนี้ด้วยอย่างเช่นเวลามีพระมาเข้ากรรมฐานมากๆผมก็ต้องไปเชื่อของเข้ามาเลี้ยงพระทำไมไม่ใช้คาถาละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงยิ้ม เหมือนไม่ค่อยสะดวกที่จะยิ้มก่อนจะตอบบางทีใจมันก็ไม่เย็นพอที่จะใช้คาถาครับคือการใช้คาถาต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเสษล่วงหน้าเจ็ดวันถึงจกครั้งอย่างที่ผมมาเนี่ยผมก็อธิษฐานจิตก่อนวันเดินทางเจ็ดวันอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอยากทำบุญกับวัดไทยง้างหากคนมีบุญ จะร่วมทำบุญกับข้าพเจ้าก็ขอให้มาก่อนวันที่ข้าพเจ้าจะเดินทางผมอธิษฐานครบเจ็ดวันญาติโยมที่มีบุญก็พากันมาถวายปัจจัยเพื่อฝากผมมาทำบุญที่เมืองจีนผมก็เลยมีปัจจัยมาด้วยประการชะนี้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะนำไปใช้บ้างคิดว่าต่อไป คงมีปัจจัยเพียงพอที่จะบุรณะปฏิสังขรณ์วัดญาติโยมจะได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตผมก็สั่นลงไปทุกวันทุกวันอีกไม่นานก็คงจะได้ไปเกิดใหม่ผมก็อธิษฐานจิตว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นวิมุตต์หลุดพ้นก็ขอให้เกิดเป็นวันพชิตต่อไปอีกผมไม่ยินดีในความสุขทางโลก หวังแต่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านพระครูไปไกลกว่าผมในเรื่องนี้ผมขออนุโมทนาผมขอให้ญาติโยมและท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยตามโปรแก ร, รมที่จะไปไหนต่อหรือว่าจะกลับเลยท่านถามในกุนเชียงพรุ่งนี้เราจะบินไปที่กุ้ยหลิมครับหลวงพ่อ จะไปชมถ้ำคืนไข่มุกที่เมืองกุ้ยหลิมหัวหน้าทัวร์ตอบแล้วพักที่นั่นกี่คืนคืนเดียวครับจากนั้นก็จะบินไปปักกิ่งเพื่อไปชมกำแพงเมืองจีนอยู่ปักกิ่งสองคืนกับสามวันจากนั้นก็บินกลับไทยโยมเสียมควักเงินออกจากกระเป๋า300ร้อยหยวนถวายเจ้าอาวาสวัดไทยงัง คนอื่นๆก็ทำตามพระภิกษุสีรูปก็ถวายไปรูปละร้อยหยวนในกุนเชียงเกิดตะคิดตะขวงใจที่เห็นลูกทัวทํทำบุญกันทุกคนตัวเขาเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการมาครั้งนี้หากไม่ทำก็ต้องพกความไม่สบายใจกลับเมืองไทยด้วยจึงตัดอกตัดใจถวายท่านไปห้าร้อยหยวน เห็นขรือหัดทำบุญกันทุกคนแล้วท่านพระครูจึงถือโอกาสนั้นให้ความรู้กับพวกเขาอาตมาขออนุโมทนากับโยมทุกคนที่ได้ทําบุญบริจาคปัใจจัยให้กับวัดซึ่งการทําบุญครั้งนี้จะได้ประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายวัดก็ได้ประโยชน์ในการติดต่ออายุพระาศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเท่ากับญาติโยมได้ช่วยกันทานุบารุงพระาศาสนาให้ถาวรมั่นคงจะได้ดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนานนี่คือประโยชน์ทางฝ่ายวัดซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมอีกฝ่ายคือประโยชน์ของญาติโยม ที่ได้ทําประโยชน์ต่อโยมเองหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการที่โยมมารับประทานอาหารที่วัดเท่ากับโยมเป็นหนี่สงจริงอยู่หลวงพ่อทันเมตตาเลี้ยงอาหารแก่โยมแต่นั่นเท่ากับโยมได้เป็นนี่สงเพราะของวัดก็คือของสงไม่ใช่ของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะเมื่อเชื่อ ว, ว่าเป็นนี่เราก็ต้องใช้ จะได้ไม่มีหนี้ติดตัวไปในภพหน้าแล้วถ้าไม่ใช้หลวงพ่อท่านจะตามทวงไหมคะโยมเสียมอดยัวซิไม่ได้ถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องถามหลวงพ่อท่านดูสมภารวัดป่ามะม่วงโยนกรองไปให้ภิกษุผู้อาวุโสกว่าอาตมาคงไม่ตามไปทวงรบเพราะไม่ใช่ของอาตมาแต่เป็นของสงโยมไม่ได้เป็นหนี้อาตมา แต่เป็นหนีสงถ้าไม่ใช้คืนก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนีสงดังที่ท่านพระครูท่านพูดไว้แล้วบาปไหมคะต้องตกนรกไหมไม่บาปพระโยมไม่ได้ลักขโมยของสงเป็นเรื่องที่สงอนุญาตแต่ถึงจะอนุญาตบางคนเขาก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นหนีหนูก็เหมือนกันงั้นหนูขอถวายอีกสองร้อยหยวน เผื่อที่ถวายไปเมื่อตกี้นี้ไม่พอใช้นี่โยมเสียมพูดพลางเปิดกระเป๋าถือหยิบเงินออกมาสอง้อยหยวนไม่ต้องหรอกโยมอาตมาไม่ได้พูดเพื่อให้โยมบริจาคอีกเท่าที่ทำบุญมาก็มากพอแล้วโยมเก็บไว้ซื้อของไปฝากลูกเธอะสมภารวัดไถยง้างไม่ยอมรับปัจจัยเป็นรอบที่สองท่านรู้ว่าหากรับ คนอื่นๆก็จะต้องทำตามโยมเสียมท่านเป็นพระที่รู้จักพอเอาล่ะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพวกเรากราบลาหลวงพ่อและก็ไปขึ้นรถนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับในคุนเชียงบอกลูกทัวท่านพระครูไหว้อำลาเจ้าอาวาสวัดไทยงังพร้อมอวยใยให้พรว่าขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิขอให้มีอายุยืนยาวเท่ากับพระอนนทเถระนะครับขอบคุณท่านพระครูผมก็ขออวยพรให้ท่านพระครูมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มไสของคนไทยไปอีกนานๆถ้าอย่างไรก็ลดงานลงบ้างผมพอจะดูออกว่าท่านทํางานจนลืมฉันลืมจังวัด อย่าลืมว่าสังขารร่างกายของเราเหมือนรถถ้าใช้อย่างเดียวโดยไม่บำรุงรักษาก็จะเสื่อมสภาพเร็วหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะท่านพูดกับคณะท่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนพระคุณเจ้าสีรูปด้วยท่านให้พระสงฆ์สีรูปเป็นลำดับสุดท้าย จากนั้นพิสุห้ารูปกับคฤรืหัดสาสิบคนก็พากันเดินขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่เวลาสามทุ่มคืนนั้นด็อกเตอร์พิงก็ส่งรถมารับท่านพระครูที่โรงแรม<ๆ>เขานิมนต์ท่านไว้ตั้งแต่วันวานเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิชากับท่านสถานที่พบปะที่สะดวกที่สุดก็คือบ้านของเขาท่านพระครูจึงชวนหัวหน้าทัวร์มาด้วย โดยไม่ได้ให้ผู้ใดร่วงรู้นักท่องเที่ยวที่เป็นครือส่าเมื่อมารับประทานอาหารมือ้อค่ำเสร็จก็พากันเข้าห้องพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ไปเที่ยวเมืองกุ้ยหลิมในวันรุ่งขึ้นส่วนพระภิกษุสีรูปหลังจากฉันน้ำชาปานะแล้วก็ทําวัดสวดมนต์จำวัดนอกจากในกุญเชียงแล้วจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านพระครูมีนัด กับด็อกเตอร์ผิงขอประธานโทษนโยมเย่ายวว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยแต่อาตมาอยากรู้ว่าทำไมโยมถึงชื่อกุญเชียงชื่ออื่นมีออกถมเททำไมถึงต้องชื่อกุญเชียงด้วยท่านพระครูชวนคุยขึ้นก่อนคนขับรถฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจึงทำหน้าที่ของตนต่อไป โดยไม่พูดจาหลวงพ่อลองเดาสิครับผมว่าหลวงพ่อต้องรู้ที่มาที่ไปของผมเขายังไม่ยอมตอบคำถามท่านถ้าให้อัตมาเดาอย่าพูดว่าเดาดีกว่าสมมุติว่าเป็นการทายปัญหาก็แล้วกันอัตมาขอทายว่าโยมแม่แพ้ท้องอยากกินกุนเชียงมาก พอลูกออกมาก็เลยตั้งชื่อว่ากุณเชียงแล้วแม่ของโยมก็คิดว่าลูกที่คลอดออกมาจะเป็นผู้หญิงแต่พอออกมาเป็นผู้ชายก็ดีใจจนคิดชื่อใหม่ไม่ทันก็เลยให้ชื่อที่ตั้งไว้แล้วโยมก็เลยชื่อกุณเชียงตั้งแต่นั้นมาอัตมาท้ายว่าอย่างเนี้ยจะถูกผิดประการใดก็ไม่ทราบได้ โอ้โหหลวงพ่อพูดเหมือนแม่ผมเปียบเลยนี่ถ้าหลวงพ่อรู้จักแม่ผมผมต้องคิดว่าแม่เล่าให้หลวงพ่อฟังแต่นี่หลวงพ่อต้องไม่ได้ฟังมาจากแม่ผมแน่นอนและทำไมถึงพูดเหมือนแม่ผมเลยอาศจันแท้ในกุลเชียงรู้สึกศรัทธาท่านพระครูมากขึ้นเป็นสองเท่า โยมไม่คิดบ้างหรือว่าอาตมาก็รู้จักแม่โยมก็ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมเองเพิ่งรู้จักหลวงพ่อตอนมาเมืองจีนนี่เองแล้วแม่จะไปรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงก็ไม่แน่นะอาตมากับแม่โยมอาจรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ท่านยังต้องการที่จะเอาชนะในกุนเชียงเยาวราชก่อนหน้าที่หลวงพ่อว่าน่ะ ก่อนนานแค่ไหนครับนับเป็นปีได้เท่าไรเขาเริ่มยวนไม่รู้หรอกว่าตนนั้นท่านตั้งสมยาว่าในกุลเชียงเยาวราชสักห้าหกปีอาตมาอาจรู้จักกับโยมแม่ของโยมเมื่อห6าหกปีที่แล้วก็ได้ท่านคิดว่าคราวนี้ต้องชนะในกุลเชียงเยาวราชแน่นอน ซอรี่สายเจียเสียใจครับหลวงพ่อแม่ผมตายไปสิบกว่าปีแล้วจะมารู้จักกับหลวงพ่อได้ยังไงหัวหน้าทัวร์ตอบเป็นภาษาอังกฤษปนไทยท่านพระครูก็คิดว่าควรจะยุติการสนทนาเรื่องที่มาของชื่อคุณเชียงกำลังคิดว่าจะหาเรื่องอะไรมาเป็นหัวข้อในการสนทนาดีหนอ ก็พอดีในกุนเชียงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าแม่ผมแก่เจ้าเคารมมากครับหลวงพ่อพูดเก่งกว่าผมสิบเท่าเห็นจะได้ถ้าหลวงพ่อได้คุยกับแกรับรองฟังแกพูดจนหลับใครๆก็ตั้งสมญาให้แม่ผมว่าพูดจงเลงหลับแล้วพระจะไม่หลับได้ยังไงจริงไหมครับเขาเปรียบเทียบนั่นสินะ ขนาดลูกอาตมายังรู้สึกง่วงเลยแล้วนี่เธอเป็นแม่พูดจะขนาดไหนท่านเอออห่หมกด้วยหลวงพ่ออย่าเพิ่งหลับนะครับผมจะเล่าเรื่องแม่ให้หลวงพ่อฟังอย่างน้อยก็ทำให้ผมได้แสดงกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้บังเกิดก้าวแม้แกจะตายไปแล้วกตัญญูยังไงก็ผมสารเสริญแกเนี่ย ไม่เรียกว่าตกตันยู่หระครับคราวนี้สมภารวัดป่ามะม่วงมองเห็นช่องทางที่จะเอาชนะในกุนเชียงได้จึงย้อนว่าอ๋อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการสารเสริญแม่หรอกหรือนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยท่านใช้สำนวนก่อนถึงสมัยอีกสักยี่สิบปีข้างหน้าสำนวนนี้จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ในหมู่วัยรุ่นแม้หลวงพ่อแล้วก็ผมยังไม่ทันได้สารเสวนเลยแค่อารมพบทหลวงพ่อกรขัดคอใชแล้วเขาต่อว่าต่อกขานแล้วอารมพบทเสร็จหรือยังถ้ายังก็ว่าสิให้เสร็จอาตมาจะฟังโยมสารเสริญแม่ครับผมจะสารเสริญแม่ให้หลวงพ่อฟัง แม่ผมเป็นผู้หญิงเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกอดทนที่สุดในโลกแล้วก็ฉลาดที่สุดในโลกโอ้โหแล้วจะไม่เหลือให้แม่คนอื่นบ้างเลยหรือโยมแม่ของอาตมาก็เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนี่นาะเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงขัดขึ้นผมหมายความว่าในความคิดของผมนะครับ ส่วนในความคิดของหลวงพ่อโยมแม่ก็เก่งที่สุดในโลกแม่ของใครก็ของคนนั้นจะได้ไม่ต้องเถียงกันดีไหมครับเออก็คงดีเอาละแล้วยังไงอีกคือถ้าแม่ไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาคงเลี้ยงผมให้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้อย่างนี้แม่เป็นคนจีนแท้ได้กับพ่อซึ่งเป็นคนไทยแท้ อา마อากงรังเกียตคนไทยบอกว่าขี้เกียจแล้วก็สำอางทำอะไรไม่เป็นก็เลยไล่แม่ออกจากบ้านแม่ก็ไปอยู่กับพ่อและพ่อก็เป็นอย่างที่อา마อากงปรามาสคือไม่ทำอะไรเลยให้แม่หาเลี้ยงพอแม่มีผมแม่ก็เลยต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าคือต้องหาเลี้ยงทั้งลูกทั้งผัว พ่อนอกจากจะไม่ทำงานแล้วก็ยังดื่มเหล้าเล่นการพนันแม่เลยตัดสินใจเลิกกับพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมเลิกเรียกว่าขับไม่หนีตีไม่ไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีหลวงตามาบินทบาทหน้าบ้านทุกวันแม่ก็ใส่บาททุกวันท่านเห็นแม่หน้าตาหมองครัมค ง, งรู้ว่าแม่มีความทุกข์ ท่านจึงสอนให้แม่สวดคาถาชนะมารแม่ก็สวดทุกวันและวันหนึ่งแม่ก็ชนะมารเพราะพ่อเมาตกครองมหานาคตายพวกชาวบ้านเขาดีใจกับแม่ใหญ่เลยตอนนั้นโยมอายุเท่าไรแปดขวบครับกำลังเรียนปรมสองและโยมดีใจหรือเปล่าที่พ่อตายดีใจที่สุดเลยครับ นั่นแหละโยมบาปที่สุดเลยเหมือนกันคราวนี้ท่านพระครูชนะอย่างใสทำไมล่ะครับก็พ่อผมเป็นคนไม่ดีทำร้ายจิตใจแม่เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามและไม่ว่าคนอื่นจะประนามเขาอย่างไรแต่โยมไม่มีสิทธิ์พระโยมเป็นลูกจำคำของอาตมาไว้ลูกที่อากตัญยูต่อพ่อแม่นั้น ทำมาหากินไม่ขึ้นท่านเปลี่ยนฐานะจากผู้ฟังมาเป็นผู้สอนผมก็ตันอยู่ต่อแม่คนเดียวไม่ได้หรอครับเขาต่อรองไม่ได้ถ้ามีแต่แม่โยมก็จะได้เกิดมาดูโลกได้หรือฉะนั้นพ่อกับแม่มีความสำคัญต่อลูกเท่ากันจึงห้ามคิดไม่ดีกับพ่อแม่